you <laughs> พรสส ก, การพระคุณเจ้าที่กรรพบและก็อนุโมทนาบุญกับเจตีธรรมทุกทุกท่านวันนี้สนุกดีเนาะมีฝนตกมีน้ําท่วมด้วยเมื่อคิดว่าที่เนี่ยตอนที่มีนน้ำพ่วมที่ห้อ ง, องเคิกว่าเออถ้าน้ําพ่วงวัด น, นี้ทุกคนก็ต่างกันหนีเอตัวรอดผมว่าผมจะไม่หนีไปไหนไม่ใช่อะไรหรอ ไอ้ที่ไม่หนีไปไหนเ่ยเพราะหนีไม่ได้ก็ตั้งใจนะเมื่อห น, นีไปไหนไม่ได้เนะี่ยแล้วก็จะนอนอยู่แถวเนี้ยพออยู่ที่นี่แหละเพราะว่าที่นี่ ม, มีมีพุทธ ร, รูปปางที่ได้ผมจะอยู่ที่เนี่ยเป็นพุทธรูปปางนอนอถ้าถ้าใครคิดถึงแล้วก็มาเยี่ยมได้นะจะนอนอยู่ที่นี่ร่างกายของผมเนี่ยมันมีแต่ความลำบา ะ, ะมีความไม่สะดวก จะไปไหนเมื่อไหร่ดีก็ต้องอาศัยพี่เก่งช่วยเหลือกันเมื่อกี้เนี่ยผู้ที่เป็นอาสาสมัครไม่ช่วยขึ้นมาที่นี่ผมก็มาไม่ได้ร่างกายก็มีโรคไปไข้เจ็บจะมาพูดแต่ละครั้งก็ลําบากมากถ้าพวกเราไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจปฏิบัติก็ถือว่าเป็นคนสวยใจดํำมีนักปฏิบัติที่เมืองไทย สำหรับยนิคอร์ดปฏิบัติแบบเนี้ยเขาเคยมาปรึกษาปัญหาของเขาเขาบอกว่า <S <S เขาปฏิบัติมาห้าวันแล้วก็ <S <S ยังง่วงนอนดิ่งั้งห้าวันเนี่ยเขาไม่ได้อะไรไม่ได้เห็นแต่ความง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนเขาจะทําอย่างไรเพื่อแนะนําว่ากินข้าวน้อยๆหน่อยถ้าติดเยอะๆเนี่ ย, ย, ย, ย, ยมันทําให้ง่วงนอน พอเวลาอยู่บ้านเนี่ยเขามากักจะนอนไม่ค่อยได้ทํางานพ็ถึงเวลาไปฏิบัติจริงๆเขก็ร่างง่วงนอนเป็นธรรมดาก็บอกเขาบอกว่าทานข้าวน้อยๆเขาบอกว่าน้อยมันก็มันก็หิวเลยบอกหิวนั่นดีนะเพราะว่าถ้าหิวเนี่ยมันไม่ง่วงพรจริงง่วงนอนแล้วคนที่ไม่หิวใครก็ตามถ้านมีความหิวเนี่ยยังไงก็นอนไม่ค่อยหลับ ให้มีสติเวลามีอาการหิวเนี่ยให้มีสติให้รู้เต้าทันในทุกขเวทนาของร่างกายที่ว่ามันหิวอ๋อความหเป็นอย่างนี้มีสติรู้ทันในความหิวซะมันก็เลยต่อสู้กัต่อสู้ระหว่างความม่วงนอนความม่วงนอนไม่มีเลยแต่มีแต่ความหิวมาแทนเขาบอกความหิวทนได้ไม่ทุกสติดีด้วยแต่ความม่วง น, นี่มันเมันลำบากมันลำคาน แก้ปัญหาความง่วงนอนไปไนดะ้วันรุ่งขึ้นใหม่กันเอาปัญหาใหม่มาถามเขาถามว่าเขาเนี่เป็นคนที่โกรธแล้วก็เครียดง่ายมากเวลาเขาโกรธเขาเครียดเนี่ยเขาทำยังไงไหมเขากินขนมหวานเขากินขนมหวานแล้วก็หายโกรธหายเครียดแต่เขาอ้วนจะทำอย่างไรดีก็เลยนะนาเขา อาอย่นี้สิถ้าเราโกรธเราเครียดยาไปกินขนมหวานเวลาโกรธใจร้ายทุกใจร้ที่ใจเนี่ยให้กินบอระเพ็ดบอระเพ็ดเป็นยาที่มันขมขมอะ่ะกินแล้วขมอะ่ะมึงทายด้วยว่าบอระเพ็ดแต่คนกินกินแล้วขมเป็นยา<ม>เวลาโกรธเวลาเครียดยาไปกินขนมหวานกินไอของขมข ม, มเนี่ยเขาก็ไปทําตามเขาก็ เวลาโกรธเวลาตรวจเวลาเรียวเวลาทุบเขากินบอระเพ็ดเวลากโกรธทีลรเขากินบอระเพ็ดต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากกินบอระเพ็ดแล้วเขาเลยเขาเลยไม่กโกรธเพราะโกรธทีไรกินบอระเพ็ดทุกทีนอกจากที่จะแก้อาการโกรธได้แล้วเนี่ยร่างกายเขาก็ยังออกน้ำไปด้วยถ้าใครง่วงนอนก็ต้องทําดานอย่างนี้นะใครที่โกรธ ถ้าเป็นคนที่เครียง่ายก็ลองกินของของผมดูลองทำดูนะมีประโยชน์นะทำได้อันนี้เป็นความรู้ที่มาเล่าสู่กันปัเป็นความรู้ถ้าเราลองนำไปปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเอออันนี้เป็นเรื่องงการพูดจริงเป็นเรื่องจริงเราต้องลองปฏิบัติ ด, ดูก่อนลองทำดูก่อนอแล้วค่อยเชื่อในทางพุทธศาสนาเนี่ย เขาแบ่งความรู้ไว้สามระดับระดับที่หนึ่งคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ดูอันนี้เป็นความรู้จากการได้ยินได้ฟังเนี่ยตอนเนี้ยกำลังพู ด, นนดเนี่ยแล้ดีได้ฟังบางทีเราก็ลืมลืมไปแล้วว่าพูดว่าอะเวลาเกิดความโตรกขึ้นมาเนี่ย เราเคยบอกว่าเคย ร, รู้ว่าอ๋อความโกรธไม่ดีความโกรธทำให้เราเป็นทุกข์เราเคได้ยินไปฟังแต่เวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยทําไมเราเอาชนะไม่ได้สักทีแสดงว่าความรู้ต้นๆนเนี่ยยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยที่เอาไปจดไว้เนี่ยคือความรู้แค่ได้ยินได้ฟังขั้นที่สองเป็นความรู้ที่เกิดจากการคิดคิดพิจารณาหาเหตุผลคิดอยู่ในใจ อความโกรธนี่มันไม่ดีเนาะโกรธทีไรเนี่ยร้อนทุกทีเนี่ยหน้าตาก็แก่ง่ายหน้าก็เหมือนคนแก่เวลาตายก็ตายเร็วแก่ความโกรธทำให้เราแก่ง่ายตายเร็วบาที่เราคิดอย่างนี้นะอีตอนคิดเนี่ยมันก็คิดได้แดีวเราความโกรธมันเราก็โกรธทุกทีอาขั้นที่สามข้นที่สามนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ไปเห็นได้ไปสัมผัส ด้วยตัวของเราเองอย่างเช่นเวลามันเกิดความโกรธขึ้นมาคิดเอาก็เอาชนะไม่ได้ยังเอาชนะไม่ได้ก็ต้องดูเอาสติดูที่ความโกรธโอ้เห็นความโกรธที่มันเหน็ดเหนื่อยมันร้อนมันไม่สงบมันเป็นทุกข์ความโกรธเนี่ยพอมันเกิดขึน้นทุกข์แล้วเนี่ยพอเราดูไป น, นานๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอก ดูไปนานๆเห็นความโกรธนานน่ยความโกรธจะค่อยจาง qua มันเกิดมันดับมันจางคลายไปนะสุดท้ายแล้วมันก็หายไปเลยมันจางคลายหายไปเราจะรู้ว่าอ๋อความโกรธนี่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วมันก็ค่อยหายไปมันเกิดดับมันไม่มีตัวตนอยู่จริงถ้าว่าเราเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งทําอะไร ดูลงไปที่ใจของเราอิเลสเนี่ยเวลาดูไปานานๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันเดือดร้อนแล้วมันก็ก็จะหา ย, ยานี่นี่หายไปเลยถ้าดูไปแล้วมันหายไปแล้วเนี่ยความโกรธหายไปเนี่ยค่อยพูดค่อยทำจะดีกว่าถ้าเราโกรธเราไม่พอใจเราพูดออกไปตอนนั้นคำพูดของเราก็ไม่ดีเราทำอะไรไปตอนนั้นการกระทำก็ไม่ดี มันเป็นอันตรายก่บตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยให้มีสติรู้ทันก่อนพราะรู้ทันเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงความนทุกข์ความไม่มีตัวตนของมันต่อไปเนี่ยเราจะไม่อยากโกรธแล้วเพราะโกรธทีไรเราทุกทุกทีโกรธทีไรเราทุกทีเราจะไม่อยากโกรธแล้วเหมือนคนที่กินบัลลปีเมื่อกินบัลลปีของขมแล้วต่อไปก็ไม่อยากโกรธโกรธที้วต้องกินบัลลปีทุกทีโกรธทีไรกินบัลลปีทุกทีถ้าเราไม่โกรธ เราก็ไม่ต้องกินวันละเยอะนี่คือเกิดเป็นความรู้ที่เจอจากการได้สัมผัสได้สัมผัสรู้ลงไปจริงๆเลยเขาเรวมันจะเอาชนะได้โดยเด็ดขาดการเจริญสติการทำความสุข ต, ตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดไม่ใช่เป็นการได้ยินได้ฟังแต่เป็นการกระทำลงไปกระทําลงไปที่กายที่ใจใเรา เราพูดให้ทําต้องการเพื่อให้เราไปทําอย่าโวาแต่คิดเอาอย่ามวัวแต่ฟังต้องกระทําลงไปให้มีขึ้นในตัวเราอันนี้จะเป็นของจริงถ้าโมาแต่คิดโมแต่ฟังแล้วไม่ได้ปฏิบัติสักทีการปฏิบัติไม่ต้องใช้ความคิดใช้ความรู้สึกเราไปสัมผัสเวลากายเคลื่อนไหวให้รู้สึกนี่เราได้ปฏิบัติแล้วได้สัมผัสแล้ว ยกมือขึ้นให้รู้สึกเอามือเข้ามาให้รู้สึกเนี่ยเดินจงกรมเดินหนึ่งก้าให้รู้ตัวเดินให้รู้ตัวเดินรู้ตัวไม่ต้องใช้ความคิดเลยคิดรู้มันยังไม่จริงแต่สัมผัสรู้เนี่ยจริงกว่าเวลาใจมันคิดเราอย่าไปคิดต่อให้เรารู้ทันอ๋อมันคิดแล้ว นี่เาเรียกสัมผัสรู้ทำหน้าปัจจุบันนั้นให้รู้สึกหน้าปัจจุบันที่มันกลังเกิดขึ้นให้รู้แม่ไม่ต้องคิดต่อให้รู้สึกอ๋อมันคิดรู้สึกพออย่าไปคิดต่ออย่าไปหาเหตุหาผลให้มันจบลงที่รู้นี่ละพารู้ปั๊บมันก็มีปัจจุบันเรียบร้ อ, อยได้ปฏิบัติแล้วการปฏิบัติที่ไวรวดเร็วผลเร็วนั้นก็คือ ทำให้มันสบายๆทำให้ติดต่อเนื่องกันตลอดแลว้วก็จะไปหวังผลอะไรอันนี้จะไวมากคนที่รู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยจะมีอาการดังนี้คนรู้สึกตัวเป็นจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมันจะรู้แบบไม่ต้องคิดอะไรถ้ารู้แบบไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยแปว่าเป็นรู้สึกตัวได้ครแลวแลรู้แบบเป็นผู้ดูด้วย ถ้าจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้ที่กายที่เคลื่อนไหวเป็นเป็นผู้ที่ถูกดูเนี่ยจิตเป็นผู้ดูกายเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ถูกดูถ้ายังไม่เห็นนี่ได้แต่ว่ารู้สึกตัวเป็นจิตที่เป็นผู้ดูกายที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ถูกดูอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนามันจะแย้กันอยู่อย่างผมเนี่ยเป็นผู้พูดอันนี้เป็นผู้ฟังเป็นคนละคน ใครงง้างยกมืองงไม่รู้ก็รู้สึกตัวนะงงก็รู้วงงเนี่แต่มีสติแล้วถ้าไม่งงเนยเราไม่มีไม่มีความรู้สึกตัวมันงงก็ดีนะจะมีสติรู้เราดูจิตแล้วนะเนี่ยเราเห็นจิตแล้วนี่ยใครบ้างที่เห็นว่าอ๋อมีผู้ดูคือจิตกับกายที่เคลื่อนไหว เป็นสิงที่ถูกดูบ้างยกมือขึ้นซิเมื่อกี้นี่มีคนก็พลิกมือขึ้นไหวแล้วก็พลิกมืออะไอย่างเง้ยเห็นว่าเขยกมือป่าแล้วก็ขึ้นไหวเนี่ยบางคนรู้แต่ไม่ยอมบอกก็มีนะคุณลิศผไม่กล้า บ, บอกก็มีนะไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่มีถูกก็มีผิดหรอกคนที่ยังจิตรสติไม่เป็นเนี่ยจะเห็นจะรู้สึก จิตที่รู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันมันยังแยกกันไม่ได้อันนี้คือสมถะใครเห็นอย่างนี้บ้างเห็นจิตที่รู้กับกายที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งเดียวกันใครเห็นอย่างนี้ยกมือขึ้นซิทำต่อไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตคือผู้ดูกายคือผู้ที่เคลื่อนไหวหรผู้ที่ถูกดูมันจะแยกกันจะแยกกันระหว่างว่าจิตทำหน้าที่<ม>รู้ กายทําหน้าที่เคลื่อนไหวฝึกต่อไปบ่อยๆเนี่ยจะเห็นอาการอย่างนี้เราขึ้นบันไดเราขึ้นทีละกี่ขั้นเราก้าวทีละห้าขั้นหรือทีละหนึ่งขั้นเราก้าวมาแล้วนะหนึ่งขั้นสองขั้นถ้าเราก้าวต่อไปเนี่ยเราจะได้หลายขั้นคนที่ไม่ยอมก้าวขึ้นบันไดคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเห็นไหมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้ไหม ว่ามีการเคลื่อนไหวเราจะเห็นว่ากายในยประเดี่ยวมันก็พลิกเดี๋ยวมันก็ยกเดี๋ยวมันก็เข้ามีแต่การเปลี่ยนแปลงนะฮะร่างกายเราไม่มีใครนั่ ง, งนเฉยๆได้ในี่เราก็นั่งแล้วเราก็ลุกขึ้นไปเดินเี่ยดี๋ยวเราก็นอน <c oughs> คือร่างกายมีแต่การเปลี่ยนแปลงมันอยู่ไปที่ไม่ได้หรอกอันนี้คือความไม่เที่ยงของร่างกายเราเคยสังเกตไหมร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อกี้เรามานั่งเนี่ยมันยังไม่เมื่อยนั่งสบายนั่งเรียบร้อยแต่ต่อมาชักมีการโยกเพราะอะไรเพราะมีความทุกข์ร่างกายมีความทุกข์บีบครั้นต้องมีการขยับเขยื่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงตอนแรกมันก็ไม่เมื่อยไม่ทุกข์นานาเข้อนานเนี่ยมันจะมีความทุกข์เราอยากให้มันไม่เมื่อยไม่ปวดอยากให้นิ่งๆไม่เมื่อยปวดเราทําได้ไหมเวลามันปวดเป็นเมื่อยอยากให้มันหายเนี่ยเราบังคับให้มันหายได้ไหม เราจะต้องมีสติปัญญาไม่ต้องเป็นทุกข์กับร่างกายที่มันปวดเมื่อยแล้วก็มีสติมีปัญญาที่จะเปลี่ยนแก้ไขมันโดยที่ใจไม่ต้องทุกให้ความทุกข์มีเฉพาะร่างกายอย่างนี้เนี่คือการสังเกตรู้ในปัจจุบันผู้ที่สังเกตรู้คือตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเห็นไหมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความไม่เจี่ยงแล้วก็ความเป็นทุกข์ในตัวมันเอง และเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้เราก็ไปกลายเป็นคนมีสติปัญญาแก้ปัญหาร่างกายร่างกายเหมือนคนไข้สติปัญญาเหมือนหมอคอยช่วยดูแลต่อไปมันก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายเป็นธรรมดาของร่างกายนะครับเน่ยคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินเนี่ยเวลาเขาป่วยเขาก็ก บ, บน่นโอ้ไม่ไหวแย่แล้ว แต่คนปฏิบัติเนี่ยจะเฉย ๆ, ๆ, ๆอ๋อมันธรรมดาพอจะให้ได้ป่วยเป็นธรรมดาก็รักษากาันไป<ม>เราที่จะได้สติปัญญาจะฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาเอาร่างกายไปทำประโยชน์เราไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายที่มันเ ป, นปล<ม>ี่ยนแปลงอันนี้คือจุดสําคัญนะเรื่องของร่างกายต้องเป็นอย่านี้<ม>ต่อไปอย่าบ่นนะโอปวดจริงเมื่อยจริงไม่แก่ไว้ทําไมจะต้องตายหมอไม่ธรรมดาคนะ ใปใธรรมดาอย่างนี้แล้วแสดงว่าเข้าถึงธรรมะมันมีทุกข์เฉพาะร่างกายร่างกายต้องปวดต้องเมื่อยมีทุกข์แต่ใจเนี่ยไม่ทุกข์เพราะเราเข้าใจต้องฝึกสติเอาไว้มากๆนะเราจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องร่างกายที่มันมีอันเป็นไปเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยสําคัญกับร่างกายคือจิตใจเรามีใจไหมใจเราอยู่ตรงไหน ลองดูสิเรามีใจไหมใจอยู่ตรงไหนไหนกายยังหาใจไม่เจอบ้างใจอยู่ไหนอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่นี่เขาบอกว่าใจกําลังยกมือค่ะใจกําลังยกมือใจยกมือเหรอใจไม่ใช่มือแต่ใจมันสั่งให้มือยกใจเป็นผู้สั่งผู้ที่สั่งให้เราเคลื่อนไหวนั่นแหละคือผู้ใจ เนี่ยก็รู้จักใจแล้วใจคือผู้ธีใช้การเคลื่อนไหว อ, อันนี้ไปตะวันได้เราสังเกตดูนะที่เรามาปฏิบัติเอากายเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาจิตให้มันรู้สึกให้มันรู้สึกให้ความรู้สึกนี่แหละคือจิตคือใจของเราใจมันมีหน้าที่สองอย่างคือรู้ รู้รู้ทางตาได้ยินทางหูรู้ทางกลิ่นทางจมูกรู้รสที่ลิ้นรู้การสัมผัสอันนี้คือนาที่ของใจของจิตทั้งนั้นที่มันรู้อะไรได้รู้อะไรได้ uh huh. เรามีอย่างนี้ไหมคนตายแล้วไม่รู้อะไรเอาไม้ไปทิ่มตาไปทิ่มหูมันก็ไม่รู้สึกเพราะมันไม่มีใจคนหาใจไม่เจอคนตายแล้ว ใจเมีที่อีกอย่างนะคือชอบคิดไอ้ความคิดทั้งหลายเนะี่ยมันออกมาจากใจความคิดมาจากไหนมาจากจิตใจที่มันคิดออกมาใช่ไหมความคิดมปนมาจากไหนมาจากมือหรือเปล่าหรือมาจากใจเขาบอกหัวมาจากหัวสมองอมาจากสมองถ้าสมองไม่มีใจอะคนตายแล้วก็มีสมองนะแต่มันไม่มีใจมันคิดอะไรไม่ได้ นี่ละมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันจับเอามาดูไม่ได้มันจึงยากเราต้องเข้าไปสังเกตดูให้รู้ตัวเลยองมันไม่มีตัวตนหรอกเอาใจออกมาให้ดูก็ไม่ได้คนตายแหละสมองก็มีนะคนตายที่ไม่หายใจมีสมองแต่มันคิดอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีใจเดีย๋ยเพราะฉะนั้นผู้ที่กำลังรู้สึกอ่ะอันนั่นคือใจผู้ที่กาลังคิดอันนั่นคือใจ มันจับมาให้ดูให้ไม่ได้แต่การมีสติมีปัญญาสัมผัสรู้เนี่ยรู้ได้มันไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะไม่มีที่อยู่แต่ใน ม, มีความรู้สึกได้แล้วคนทั่วไปก็หลงใีตัวเนี้ยหลงหลงสิ่งที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยหลงเชื่อมันเราจึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักมันแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงนะมันเกิดตับต่อเวลาเลย บางทีมันรู้แล้วบางทีก็ไม่รู้มันรู้หาเป็นไหนมันเกิดรู้เนี่ยรู้สึกตัวแล้วบางทีเราก็หลงลืมตัวไม่รู้สึกตัวแล้วว่าใจมันก็เกิดดับเกิดดับทืองกันเราอยากให้มันรู้ตลอดเลยไหมทั้งวันมีแต่ความรู้สึกรู้สึกทั้งวันเราทำได้ไหมเราบังคับให้มันรู้ทั้งวันมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่เชื่อเรามันไม่ใช่ของเรามันเกิดดับเปลี่ยนแปลง คนที่พยายามบังคับให้รู้ทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เพราะไปบังคับสิ่งที่มันเกิดดับเกินทับเกินทับเราเห็นไหมเราอยากแค่มันรู้มันก็ไม่รู้ทั้งวันแล้วมันก็มันก็เป็นไปตามที่มันเป็นน่ะมันเกิดแล้วมันหายเกินแล้วมันหายแล้วก็หงุดหงิดเครียดอยู่กับมันน่ะถ้าเรามีสติปัญญาจะรู้ว่าอ๋อไปเดี๋ยวมันก็รู้ไปเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็รู้โอ้ธรรมดาแล้วก็เสเพลสติไปเรื่อยๆรื่อย่างนี้แหละจะได้ไม่เป็นทุกข์กับมัน บางทีมันก็รู้บางทีมันก็คิดบางทีก็รู้มากบางทีก็คิดมากบางทีคิดมากก็รู้มันก็เป็นอย่างนี้แหละสลักมันเป็นนี้แหละอย่าไปกุ้มใจกับมันเวลามันคิดมากอยากให้มันคิดน้อยเราก็บังคับบัญชามันไม่ได้ถึงคราวจะคิดอยากให้มันคิดบางทีก็มันจะคิดอะไรคิดไม่ออกเหมือนกันบางทีก็อยากจําแต่บังกลับลืมบางทีเรื่องราวบางอยากอยากลืมมันกลับจํา แต่ว่าเราบังคับบัญชาไหมสักอย่างเลยเรื่องราวในอดีตเราอยากลืมแต่มันก็กลับจําได้แต่เรียกงบางอย่างอยากจะจําแต่มันก็ลืมเนี่ยใช่ไ่มจิตที่รู้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็รู้เล็กมันสลับกันนี้แหละเราก็มีหน้าที่สร้างความรู้สึกขว้างให้มันรู้บ่อยๆให้มันรู้บ่อยๆ ความหลงมันจะไม่เข้ามาแทะจยยิตใจของเราเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ที่รอยาเมื่อมันรู้มันจะไม่คิดแต่เมื่อมันคิดขึ้นมามันจะไม่รู้อยากได้อย่างหนึ่งเท่านั้นอย่างที่ผมนั่งเก้าอี้เนี่ยเนี่ยนั่งเก้าอี้เนี่ ย, น, น, ยนั่งได้คนเดียวคนอื่นก็จะมานั่งไม่ได้รับรองนั่งแล้วไม่รู้ไปไหนจู่จะมีคนยกไา เพรานพวกเราเนี่ยมีสติปัญญาใช้สติปัญญาให้มันรู้สึกเอาไว้ขยันสร้างความสุขเอาไว้เอาความสุกที่มันนั่งไว้แทนที่เดี๋ยวความคิดความหลงมันก็จะไม่เกิดขึ้นให้ความรู้สึกเนี่ยทําให้ต่อเ น, นื่องไปเรื่อยจึงบอกว่าให้ขยันรู้สึกตัวให้ขยันรู้เคลื่อนไหวคลาดารู้สึกตัวคิดเคลาได้ให้รู้สึกตั ว, ตวเอาความรู้สึกเข้าตั้งเอาไว้ <H us. S 1> ความรู้สึกเนี่ย ไอความรู้สึกตัวรู้ตัวเนี้ยน่ะมันพาไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่ความสุขได้งงไหมงงให้รู้ว่างงนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยแต่ที่เป็นต้นไปเนี่ยอย่าเลือกอยากอยากให้มันสงบเอาแต่มันสบายสบายอย่าไปเลือกอย่างนั้นเลือกเอาแต่ความสงบหรือความสบายหรือความสะด ว, วกอย่าไปเลือก ถ้าเราเลือกสิ่งที่สะวกสบายพี่ปั๊บเนี่ยเราจะมีสติมีปัญญาเลยที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งความง่วงมีทั้งความคิดมีทั้งความขี้เกียจมีทั้งความเบือ่อไอ้สิ่งเหล่านี้นะ่ะถ้าไม่เรามีความกึิ่นมีความชำนาญถ้าเรามีสติปัญญาฝึกแก้ปัญหามาฝึกแก้ปัญหาตัวเองเราจะได้เป็นอุติกเก่งในการแก้ปัญหาเหมือนอย่างหมอ หมอที่รักษาคนไข้เนีหมอเจ้าเจินรักษาคนไข้<ม>คนไข้ที่ปวดหัวปวดท้องหมอให้ยาปวดหัวปวดท้องหมอให้ยาไอ้โรคงนะ่ายๆเนี่ยหมอรักษาได้หมอยังไม่เก่งนะแต่ถ้าโรคยากๆเนะี่ยจะมีหลายอย่างมีโรคแปลกๆโรคยากๆที่หมอรักษายากถ้าหมอรักษาได้เนะี่ยหมอจะเิ่งเป็นคนไข้ที่พิการด้วย แล้วแถมมีโรคตับอยู่ข้างในแก่กทางหาโรคไปก็นเจ็บเยอะเลยหมอเจนบอกหมะเจนพยายามรักษาถ้าหมอรักษาผมหายเนี่ยหมอจะมีความเชี่ยวชาญขนาดมากผมนี่ทําให้หมอที่เก่งๆเนี่ะเสียงที่เสียงมาเยอ ะ, อะรักษาไม่ค่อยหายหมอที่เก่งแล้วก็รักษาคนไข้ได้เก่งเพราะว่ามีคนไข้ยเยอะๆและคนไข้ที่มีโครคภัยก็เจ็บมากมาย ยิ่งหมอรักษาบ่อยๆหมอชะเก่งพวกเราเ็เหมือนกันอยากจะพูดชํานาญในการแก้ปัญหาชีวิตอย่าหนีสิ่งที่มันผ่านมาความง่วงความคิดความเย็ดพยายามที่จะแก้ปัญหากัน mm hmm. อย่าไปทุกข์กับมันแก้ปัญหากับมันก็บส mm ู้กับมันเราจะได้นผู้ที่เก่งในการแก้ปัญหาชีวิต